เดือดวาร้อนหลอนกายหลอนใจแย่ใดมีให้มีแต่ความ่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าได้ทำสร้างเครื่องมุ่งบงังให้กับพระสงฆ์ปูปฏิบัติศีลปฏิบัติร้ำเผ่าบุแ ม, มนจิตถวายแต่องค์นีนะ อ, องหนีเป็นอายุเจ็ดสิบกว่าปีละต่อไปก็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 เท่าเฮาเรียว่าสางที่ให้ข้นเช่าจังจะแหละในเมื่อเขาสางแล้วเฮาของมอบให้เป็นของพระพุทธศาสนานนเวลากู้บาา่ายจาย์พระสมผู้ใดก็ตามองค์ใดก็ตามมันดังภาวนาใจเลื่อจิตภาวนาอยู่ในกุติของเฮาพวกเฮาได้ลงทุนไวแล้วก็บุญกุศลที่พวกเฮาได้สางไวนั่นแหะมันเหมือนกับ เขาเข้าไปสั่งโรงแร่ำเหมือเดิบุญกุศลที่เพิ่นไปภาวนาอยู่หันัาม ว, ว่าเพิ่นไปตัง้งอกตั้งใจภาวนา <c oughs> จนจิตใจของเพิ่นได้รับความสงบเป็นสมาธิเกิดเ ป, เป็นเกิดญาณทาตนะเกิดชาน่นจนได้เป็นพระโสดาพระสกทาข้าพระอนาข้าพระหัน์ได้กุติของเขาบุญกุศลของเขานิหมากไม้มหาศาล ว่าติดพบติดชาติที่เดียวละ่ะเพราะนั้นในการสร้างเสเสนาสนาะระว่ากุติที่พักว่าอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นบุญเป็นคู่ <c oughs> เป็นบุญเป็นคูส่สนส่วนหนึ่งคือกันหนะน้าคณะรัตยาิโน้มเนี่ยมีมากไม้ในครังพุทธกาลในครังพระพุทธเจ้าที่คณะราัต ย, ยาธโยมพระสงฆ์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 วัดของเจ้าของบอแมันส่างกับปอยเลยกับบมันเพื่ไปดูแลของเพินปัดเทากลเลยมือหนึ่งเศรษฐีผลิตไปแต้เสาไปเขาไปเบิ่งความพรองของวัดของเพินไปไปเห็นชายผู้หนึ่งหนุ่มผู้หนึ่งว่าเป็นขี่ขโมยปีขี่ขโมยพ่อจน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 เอาผ้าหมหฮมตีนเจ้าของมันก็นอย่างมันเปื่อนผมไปเหยียบกี่ตงกี่โค้นมากก็เลยเอาโฮมจะตั้งแต่แขงไปหอดหัวหฮมปิดเลยมาในเศรษฐีกับลูกนอ้นนงองเพิน์ลปตะเว้นเบิ่งหวัดของเพิรนแต่เ้าขาดเหลือขาดต๊ะก็ยังในวัดของเฮ้าจะได้ซอยจะได้ซ้ อ, ไอมได้แซมพระสงอยู่พาะซุกบอษณะจังสันล่ะ พ่อไปไปเห็นเนีขี่ขโมยไอ้ดันนะอมันยืนตีนออกมากเห็ดขาดหลดักโยนออกไปไม่ม่แต่ขี่ตมขี่โคน่นเศรษฐีพุ่นเหนีก็เลยว่าเอ้เฮ้าวานี่คนที่นอนอยู่เนี่ยนะมันโมเมนคนบริสุทธิ์หรือไปโคนจะหากินเนี่ยมึงขึ้นนะคงจะเป็นขี่ขโมยน่ะเป็นขี่ขโมยพวอจยนบา ง, งรถตีนมันเปลื่อนขี่ตมขี่โค่น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 เศรษฐีเขาก็เห็นหน้าขึ้นกันเด้สมัยนั้นเขามีความง้อความควายมีไอย่างไครบมัดขึ้นกันนะทา ม, มาค้าขายเด้เพราะนั้นผลที่นสทิ้งได้เอิ้มเศรษฐีมื่กับมันบกกระเทือนมันออไปเพราะเขาร่วยอยู่แล้วเด้กั้นบ่กเผาเศรษฐีมันหักในอย่างกว่าหมูมัดในชีวิตของเศรษฐีเนี่ย มันหักหวัดะมันหักหวัดมาทางเสามาทางแรงทังเผลอๆลกังเว้นก็มาอีกมาตรวจมาตราเบิงวัดของเขากูสะให้มันเจ็บใจที่สุดขี่ขโมยอันนั้นนะกูสะทำให้มันเจ็บใจที่สุดอันไหนมันเจ็บใจอันไหนมันหักเพราะ น, น่ะคนคนผูกพยาบาทเขาคิดอย่างสัน่นเอยบาดานก็เลย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 <c oughs> ขนาดวัดพระพุทธเจา้าแท้ๆก็ยังไฟไหม่ได้ลูกหลาเลยอันนี้จัดให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนพระพุทธเจาเา้าของเฮาจากนั้นไฟไหม้เรียบร้อยเศรษฐีก็มาปะเลยพอมาเห็นไฟไหม่ซาลาไฟไหม้กุติทั้งที่เศรษฐีนี่ยเสียอกสเสียใจก็ไฟไหม้วัดตัวลงไปเศรษฐีมาเห็นตบเมือ่อเห็ว้าดีใจเลยไง เอไฟใหม่สาราเท่ากับผมีเจตนาแถมมันใหม่แต่มันให ม, ม, ใหม่ดีใจอีกต่างหากเขาถามาันไปยังเศรษฐียังดีใจยังผดุถูกใจเพราะว่าขาพระเจ้าจะได้สางให้ <c oughs> จะได้สางหลังใหม่แห่งงามกว่านี้อีกว่าสันเดยเออเออความคิดของเศรษฐีมันแปลกแตกต่างเลยอะนนี้มันสาง ม, มาแล้วมันเกาแล้ว <c oughs> ไฟใหม่แล้วก็ดีละ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 ไอ้ขี่ขโมยบักดั่นนะ่ะไอ้ขี่ขโมยใจโหดพลารละช่อนเขา น, นั่นโอ้โหขนาดเท่าเห็ุไม้มันเจ็บอกเจ็บใจมันก็เพราเจ็บใจขั้นบกขาเชแล้วมันคือคื อ, อสิบหัเศร้าดอกเพราะไงไอ้ขี่ขโมยไอ้นี่วนลงไปบาดีนสิขาบาดในี้าเนี่เศรษฐีนี่กันสางเซตเรียบรล่อยมดทังกุฏิเสนาสานะถนนคนทาง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 องใดองค์หนึ่งขาพระเจ้าถวายมัดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาเห็นมาพักผ้าอาศัาายใดในเสน า, าสนะของขาพระเจ้าเศรษฐีผึ่นประกาศทั้งสนันและกบุญกุศลในที่ข้าพระเจ้าได้ทําในมือหนี้ในส่างเสนาสนะในมือนี้นาานนนข้าพระเจ้าเองก็มั่นใจว่ามีคนผู้หนึ่ง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 อาจจะเป็นโจรผู้ไล่มากไปเถียวเทียวคำยำคื่นมาแล้วเห็นตะกีตมเต็มตีเนเลนะเออมันก็เอาผาโฮมใส่จังเทึงมันโพตีนอกมากเนี่ยเล่าเบิงเนี่ยโมมนคนบริสุทธ์นะคนน่มันต้องผ้าและช่นปิดเป็นมิดฉาชีพนะจากนั้นท่านก็ผ่านไปข้าพระเจ้านี่ยโกรธแค้นเออเอาเถอะเธอท่านได้ห้ากขับขาพระเจ้าพูดขับขาพเจ้าขาพเจ้าจ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 จะเป็นที่อยู่ของขาไเจ้าขาไเจ้าสำนึกพิษขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้ขาไปเจ้าด้วยเถินแล้วก็ขาไเจ้านี่เสียเอาทั้งลูกทั้งเมียสมบัติของขาไเจ้ามอบให้ท่านทั้งหมดและขาไเจ้าจะเป็นขารับใสจงลกพักดีท่านเศรษฐียางชดชดที่บอกพาลช่นกลับใจไป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 แล้วก็ไพ่ก็ตาไม้ที่ห้าวไหวใจกับบุคคลคนอันทั้งที่เขาเป็นพาลาชนนี่แหละในรักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาและธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือในนิชาดกหรือในท่านเรื่องนี่สอนให้ลูว่ว่าการที่จะพูดจะกล่าวสิ่งใดก็ตามกับผูกกับคนให้ระว่างพอใจของคนมันลึกซึ้ง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 พ่อเพินเห็นด้วยญาณนรัตนะของเผลเพิ่นก็เลยยิ้มมะยิมอลูกเสดทิต ต, ตามมากก็เลยถามอาจารย์โมกขล่าครับอาจารย์ยิมด้วยเหตุอันใด น, หนออ้อยิมใครเขา้ายิมผมไม่เหตุมีผลโดยมากเห็นแล้วก็ยิมไอ้ขา่าวแย้มพระโอษณ์แย้มปากคล้ายๆหัวหัวรอแบบยิมยิมโอ้ก่ำของสับปะสัตร์น้อ <c oughs> พระโมกขล่าก็เลยว่า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 ท่านบอกว่าให้มาถึงสำนักพระพุทธเจ้าสักก่อนยังคอยถามผมพระโมคคาลละก็บอกว่าโอ้มื่อก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมขาพระองค์ลมาจากตีนเขาคี้จะขุดเห็นเปลดตัวหนึ่งเออเป็นเปลดงูตัวยาาแล้วว่าไฟไหม้ทั้งหัวหอดทางไหม้ทั้งหางหอดหัวเอองูตัวหนึ่งท่นทุกทรมานเพราะไฟไหม้ตัวเอง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 เผาซาลาเผาที่พักผ้าอาศัยของพระพุทธเจ้ากัจจปะและกระตกล่งในอเวจีนรกและกับพ้อนจากนรกมากก็มาเป็นเปรตนี่แหละใส่ก่ำใส่วิบากก่ำของของเขาอันนี้ก็คือความเป็นมาในพระไตรปิดกนะอนัตถะญาติโยมลูกหลานทุกคนเพราะฉะนั้นการสั่งเสนาสนะอย่างที่ท่านปุกงกับกับพี่น้องประชาชนได้ช่วยกัน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 อในพีน่อนองของเฮ้าถาว่ามีโจรขโมยมาจับไปเรียกคาไทยเนี่ยขโมยไปเฮ้ามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจเฮ้าไปทํำให้กับผู้อื่นขึ้นกันเสียใจขึ้นกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้ะโลกที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความลมเย็นเป็นซุกเออยาขโมยกันเนอให้เคารพศิษย์ถึงกันละกันะสิ่งขอที่สองขอที่สาม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 มิสัจจะโต้กั น, นการยูด้วยกันจึงจะหล่มเย็นเป็นสุกใจพระพุทธเจ้าเพุทธรัสไปว่าบอกไว้ว่ า, วาคนที่ชอบโกหก ท, ทั้งทีลู่ลู่ลู่ว่าเข้าโกหกแต่ก็โกหกคนที่ชอบโกหก ท, ทั้งทีลู่ลู่าเจ้าของโกหกจะไม่ทําความซั่วอย่างอื่นเป็นบอมีพระพุทธเจ้าพุทนตัสไปนะอันนี้คือสินขอที่สี ขอที่หาสุราเมลยะมัชชะปามาการดื่มสุราการกินเหล่าเม้ายาขั้นชา ย, ยาฟินเฮโรอินเอออันไหนก็ตามที่ผมมีซื้อก็ตามขั้นเสพจะเป็นผงก็ตามเป็นน้มก็ตามจะเป็นเม็ดก็ตามถ้าว่าเขาเสพหรือถ้าดื่มเข้าไปแล้วขาดสติถึงนี้ย่างมีมซื้อก็เถอะอันนั้นคือของที่มันพิกฎหมายพิษศีลธรรมจริยธรรม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 อมีอยังค่อยว่าอะยังคอยเดินทางต่อไปชมทัศเป็นการทัศนะศึกษาฮะอมาเบิร์วัดว่าพวกเข้าก็เครื่องโบกเครื่องเห็นเอ๊ะพระกรรมาฐานพาระปาเน่ยอยู่ถึงสี่ก็มีด้นี่ฮะแล้วเกิดขึ้นไปเบิร์วัดต่างๆ่างพราว่าต่างทิ่นต่างแดนมันบกคือกันเด้เอแต่เลยแห้งแต่ละหนมาได้เงน้ยงเด้งได้งเงี้ยได้ฟัง่ ง, งที่หลวงพอบวมมันเองคือกันน่ะ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 บอเข่าใจชัดก็จะเข้าใจจริงนั้นชัดเขินแล้วก็บันเท่าความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้คณะฟัง่งจิตใจของผู้ฟัง่งก็จะได้รับความสงบได้รับความพองใสอันนี้ก็คือการฟัง่งชุดธรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการใดเกิดจากการไดยินใดฟัง่งเมื่อเขาใดยินใดฟัง่งแล้วเกิดปัญญา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 เมืองไทยหลวงพอ่ออยู่ในวัดป่าวัดดงกัะยิ่นดีเนอลูกหลานเนอคขันทาทยหยาดโยมเนเอามากว่าปฏิบัติม า, ากพัฒนศึกษาเห็นครูบาอาจารย์หลายๆหลๆๆแนวพวกเขาเนี่ถึงจังไรก็เป็นเมืองอพุทธศาสนาอขอึา้นกันเมืองเล่าพมา่าคำเมรไทยอันนี้พวกเขา